แม้สมณะหญิงเหล่าอื่นผู้มีความไายมีความระมัดระวังไฟการศึกษาก็มีอยู่เราจะไปประพฤติพรหมจรรย์ในสมณักของสมณะหญิงเหล่านั้นดังนี้แม่เจ้าท่านจงยินดีเถิดพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถิดภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายว่ า, ากล่าวตักเตือนอยู่อย่างนี้ ก็ยังยืนยันอยู่อย่างนั้นภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงสวดสมุภาพจนครบสามครั้งเพื่อให้สละเรื่องนั้นถ้าเธอกําลังถูกสวดสมุภาพกว่าจะครบสามครั้งสละเรื่องนั้นได้นั่นเป็นการดีถ้าไม่สละแม้ภิกษุณีนี้ต้องทําคือสังฆาธิเศสนี้ที่ชื่อว่ายาวตติยะกะนิสรณเนียเรื่องภิกษุณีจันทากาลี job